สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงแข็ศรีบางนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เป็นชีวิตเปรียสูตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบสี่เรื่องคนโลคเรือนพระเจ้าเรากลับมาอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบเจ็ดข้อที่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่สิบเก้านะครับพระธรรมลูกาบทที่สิบเจ็ดข้อที่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่สิบเก้าโปรดฟังพรชนะของพระเจ้า พระเยซูทรงชำระคนโลคเรือนสิบคนเมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเรียบระหว่างแคว้นสมาเรียและกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโลคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าค่ะโปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแกเขาว่าจงไป สำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดแเมื่อกำลังเดินไปเขานั่งลายก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียฝ่ายพระเยซูตรัส ว, ว่ามีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือ แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสันเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติที่น้องขับการเดินทางของพระเยซูเข้าสู่กรุงเยรูเซมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว หัวข้อของวันนี้คือคนโรคเรื้อนสิบคนหายสะอาดทั้งสิบคนครับแต่โรคทางใจทางจิตอิญญาณของเขาหายแค่คนเดียวมีชายที่เป็นโรคเรื้อนได้มาหาพระเยซูสิบคนถ้าเราอ่านในรายละเอียดเราจะรู้ว่าการเสด็จเข้ากรุงเยอรมันเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วนะครับว่าเป็นการเสด็จเข้ากรุงเยอรมทั้งชุดท้าย รอบสุดท้ายของพระเยซูแล้วพระเยซูเสด็จเรียบระหว่างแคว้นสมาเรียกับเกลิลีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไม่เสด็จผ่านแคว้นสมาเรียพี่น้องครับตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าคนโลกเรื้อเนี่ยถูกกันไว้นะครับอยู่ในหมู่บ้านพิเศษแห่งหนึ่งสเปเชียลพิเศษยังไงครับ ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสมาเรียหรือชาวกาลิลีหรือแม้แต่เป็นแม้แต่เป็นคนโลกเรื้อนอยูดานั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นมาอยู่ร่วมกันได้แท้ที่จริงแล้วถ้าคนธรรมดาคนที่สะอาดคนปกติชาวสมาเรียจะไม่อยู่ร่วมกันกับชาวยิวแต่ที่ที่เราเห็นว่าชาวสมาเรียนั้นได้อยู่ร่วมกันกับชาวยิวกับชาวกาลิลี ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากเพราะเอกที่ว่าพวกเขานั้นเป็นคนโรคเรือนโรคเรือนนั้นเป็นโรคที่สังคมังเกียบมากนะครับมากที่สุดในสมัยโบราณเพราะว่านิ้วเข้าจะงอในที่สุดนิ้วเข่าจะกุดจะหมูกเขาจะแหว่งไปเรื่อยๆเพราะโรคเรือนมันกินไปพี่น้องครับคนโรคเรือนสิบคนมหาพระเยซู ย, ยืนอยู่แต่ไกลแสดงว่าเขา ไม่อาจที่จะเข้ามาใกล้พระเยซูได้เพราะว่าเขาเป็นมนทินและส่งเสียงร้องนะครับส่งเสียงร้องดังว่าขอบได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดการรักษาโรคของพระเยซูในครั้งนี้ก็คือให้พวกเขาเดินไปหาปุโรหิตครับไม่ต้องมาแตะตัวพระเยซูหรือพระเยซูก็ไม่ได้แตะต้องพระองค์พวกเขาเมื่อพวกเขากําลังเดินไปพวกเขาก็หายสะอาด แต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าจากสิบคนมีคนเดียวครับที่กลับมาหาพระเยซูกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียครับพี่น้องพี่น้องครับไม่มีเหตุผลใดๆที่พวกคนโรคเลื้อนจะไปหาปูโรหิตเว้นแต่โรคของเขาจะได้รับการรักษาให้หายสิบคน ที่เดินกลับไปหาปุโรหิตนั้นพี่น้องครับเขารับการรักษาให้หายแน่นอนในเลวีนิติบทที่สิบสี่ข้อที่สองได้กําหนดไว้ว่าต่อไปนี้เป็นกฎเรื่องคนที่เป็นโรคเรื้อนในวันชำระตัวของเขาให้พวกเขามาหาปุโรหิตเพรฉะนั้นพวกเขาจะถูกขับไล่ออกไปอยู่นอกหมู่บ้านรวมทั้งนอกธรรมศาลาด้วยตามกฎในเลวีนิตินะครับพวกคนโรคเรื้อนพวกนี้ถูกขับออกมาเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากที่ถูกขับออกมาห้ามอยู่ในชุมนุมชนห้ามเข้านมัส ก, การพระเจ้าในธรมารมศาลาไม่อช่นนั้นนะครับเสื้อผ้าของพวกเขาก็ถูกฉีกให้ขาดด้วยและห้ามมีสิ่งใดปกคลุมศรีรษะถูกห้ามหวีผมนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าคนนี้เป็นโรคเรี้นเพราะอะไรครับเพราะว่าผมยาวหวีไม่ได้มันก็กระเซาอกระเซิงครับเสื้อผ้าถูกฉีกให้ขาด เวลาเดินไปไหนมาไหนต้องร้องครับว่ามนทินมนทินหมายความว่าคือเป็นคนที่สังคมรังเกียจอันนี้เป็นบทบัญญัติของพระเจ้าที่พระเจ้าจะต้องกันไม่ให้คนดีนะครับกับคนโรคเรื้อนอยู่ด้วยกันเพราะที่ว่านี้สุดแล้วจะติดประชาชนจะได้หลีกเลี่ยงได้ความจริงแล้วในกฎยังมีกําหนดให้คนโรคเรื้อนนั้นป้องปากและร้องเสียงดังป้องปากครับก็ต้องเอามือขึ้นมาป้องและบอกว่ามนทินมนทิน เมื่อแถวเห็นคนอื่นเข้ามาใกล้พวกเขาต้องหนีครับนี่เป็นเหตุที่ทําให้ลู ก, กาบันทึกว่าพวกเขายืนอยู่แต่ไกลไม่ยอมหรือว่าไม่กล้าเข้ามาหาพระเยซูพี่น้องครับเมื่อพระเยซูสั่งให้พวกเขาไปกระทําพวกเขาไปกระทําครับไปหาปูโรหิตทั้งหลายก็หายสะอาดและนี่เป็นครั้งที่สองในพระธรรมลู ก, กาที่พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนที่ลู ก, กาได้บันทึกไว้ และทั้งสองครั้งนะครับพระเยซูก็สั่งให้พวกเขาไปหาปุโรหิตเพื่อยืนยันว่าพวกเขาหายสะอาดแล้วปุโรหิตมีหน้าที่คล้ายๆหมอครับในการตรวจว่าพวกเขาหายสะอาดจริงหรือเปล่าพี่น้องลองวาดภาพนะครับเมื่อชายเหล่านั้นมองเห็นรอยแผลบนร่างกายของเขาหายไปครับเนื้อหนังมังสาต่างๆกลับคืนดีขึ้นมา เขาก็ตื่นเต้นขนาดไหนครับพี่น้องเป็นไปได้ที่พวกเขาต้องรีบวิ่งไปหาปหุโรหิตเพื่อได้กลับคืนไปสู่ครอบครัวของตนเองให้เร็วที่สุดด้วยความด้วยความชื่นชมยินดีเป็นอย่างสูงขณะที่พวกเขาวิ่งไปพี่น้องครับลองคิดถึงภาพนะครับมีชายคนหนึ่งนั้นหยุดชนะงักข้อสิบห้าบอกว่าพวกเขาเห็นว่าตนเองได้รับการรักษาให้หายโรค ผู้ชายคนนี้ทึ่งเป็นชาวสมารียขาหันหลังกลับมาและสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังมาหาพระเยซูและกราบลงที่พระบาทพระเยซูแสดงความสำนึกในพระหมหาการุณาธิคุณของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์ลู ก, กาบรรยายว่าเขาเป็นคนสมาเรียครับเราสันนิษฐานได้ว่าชายคนนี้ไม่เพียงแต่แสดงความกระตันอยูแสดงความขอบพระคุณแสดงความซาบซึ่งใจเขาได้แสดงความเชื่อวางใจในพระเยซู ด, ด้วยเพราะเหตุที่นี้คือเขาสรรเสริญพระเจ้า และกราบนมัสการพระองค์พี่น้องครับแตกต่างจากชายอเก้าคนใช่ไหมครับพวกเขาได้รับการรักษาเฉพาะทางร่างกายแต่ผู้ชายชาวซามารีาซึ่งเป็นโรคเรื้อนคนนี้ได้รับการรักษาทางจิตวิญญาณแตกต่างกันครับพี่น้องครับสังเกตคําว่าชําระให้สะอาดภาษากรีกในข้อที่สิบสี่และข้อที่สิบเก้าใช้แตกต่างกันครับชายเก้าคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรื้อน แต่ชายที่หวนกลับมาจะรับการรักษาให้สะอาดให้หายทั้งร่างกายและจิตวิญญาณด้วยพี่น้องครับพระราชกิจของพระเยซูนั้นไม่ได้จำกัดวงอยู่ที่คนยิวเท่านั้นพรงขยายไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกครับชาวสมาเรียซึ่งเป็นคนที่ชาวยิวคือกลุ่มที่ชาวยิวปฏิเสธพวกเขาก็ได้รับการรักษาในข้อ18แปดนะครับลูกลาได้กล่าวว่า มีเพียงชายคนนี้คนเดียวที่กลับมาขอบคุณพระเยซูลองคิดดูสิครับว่าพระเยซูจะทรงรู้สึกอย่างไรดูเหมือนว่าบรรดาคนโลกเลื้อนนั้นเป็นชาวหิวเป็นบุคคลที่รับพันธสัญญาเกี่ยวกับพระเมสสิยาแต่แม้แต่พระเยซูจะทรงรักษาพวกเขาให้หายจากโรคร้ายแรงพวกเขาก็ยังไม่กลับมาสรรเสริญพระเจ้าเหมือนอย่างชาวสมาเรียผู้นี้น้องครับในวันนี้หากว่าให้ท่านเลือก พี่น้องได้เห็นนะครับว่าโรคเรื้อนทำให้คนบางคนรู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงในขณะที่โรคเดียวกันคนบางคนอาจจะรับการรักษาได้แต่เปลือกได้แต่กะพี้แต่ไม่ได้แก่นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะได้เห็นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะ ผ่านความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนเพราะว่าพระองค์จะทรงรักษาเราพระองค์จะทรงเปลี่ยนให้เป็นกลายเป็นสิ่งดีอาเมน